เตียมตัวแผ่เมตตาว่าตามสัพเพสัตตา ส, สัตว์ทั้งหลา ย, ท, ลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เ, เ, กเกิดแก่เจ็บตา ย, ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้ น, นอ่ะเวลาหนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยเอภัยยาปัชชาหนุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตนาังปะลิหะรันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษ า, า, า, าตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสินงนงส้นทั้งปวงเถิดสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นชะลาภูชา ท, ที่เกิดเป็นอันทะช า, ท, า, ชาที่เกิดเป็นสังเสะชาที่เกิดเป็นโอปาติกาจงมารับกุศลผลละบุญ ที่ข้าพะเจ้าแผ่ไปให้นี้นโดยว ua, ท, ทวนทัว ท, ทุกตัวสัตเทินสาธุสาสาอนโมทามิ